งกว้างๆลองดูอไอ้ผู้ที่ท่านฝึกผลอารมตนมานานแล้วนั้นอินทรีย์ท่านแก่กล้าแล้วท่านทำความดีมากต่อมากแล้วความดีของท่านเต็มแล้วเนี่ยท่านก้ละกิเลสขาดจากสันดานได้หมดท่านก็เข้าสู่นิพพานไปไม่ต้องเที่ยวเกิด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 ทุกเพราะไม่อยากตายเกิดมาแล้วนะเพราะรู้ว่าตนจะตายนี่ตกใจนั่นเนะี่ยเดือดร้อนนี่ความทุกข์นั่งกล่าวมานี่เป็นเจ้าเรือนเลยอยู่ประจำขันทังห้าอันนี้ให้พิจารณาดูให้ดี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 เมื่อใจไม่ส่งเสริมมันนะมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นแหละจึงว่ากิเลสบาปธรรมต่างๆมันจะเบาบางไปจะหมดไปเพราะการกระทำของเราแต่ละคนแท้ๆนั่นไงพราะ <c oughs> พระพุทธเจ้าสอนให้ว่าไม่ให้โลภอย่างนี้เราก็ไม่โลภไม่ไปแย่งไปชิงเอาสมบัติผู้อยูนเบญของทน ตนหามาได้เท่าไหร่ก็ยินดีบริโภคใ้สอยอยู่เท่านั้น อ, อย่างนี้แล้วความโรคมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรอันเนี้ยเราปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนไว้เพราะองค์นะนํำสั่งสอนในพยายามอย่ากโกรธอย่างนี้น ะ, ะเราก็ฝึ ก, กจิตใจเข้าไปอดกลั้นทนทานต่ออารมณ์มันชั่วร้ายต่างๆที่มันกระทบกระทั่งมาไม่ให้มันโกรธ เมื่อเราอดทนอดกลั้นไม่รู้อำนาจแก่อารมณ์ชั่วร้ายต่างๆที่กระทบกระทั่งมานั่นแล้วความโกรธมันก็เกิดขึ้นในใจไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ยังว่ามันอยู่ที่การกระทำของเราเองมเมื่อเราทำว่าเราจักไม่โกรธอย่างนี้นะเราตั้งใจลงอย่างนี้แล้วก็ตั้งสติสำรวมระวังเสมอเสมอไปพอมีเรื่องไม่ดีไม่งามอะไร มายัวย่วยวนชวนให้โกรธเราก็รู้ตัวได้เราก็รีบกาหนดใจละทันทีไม่ทันให้มันมาเพราะมันไม่ไม่ทันให้มันมาซึมซาบเข้าสู่จิตใจให้มากขอแต่มันเพียงแต่เกิดความรู้สึกขึ้นนิดหน่อยเท่านั้นเราก็กาหนดละมันเลยมันก็ดับไปเลยนี่บุคคลผู้มีสติสมบัติญาคอยระมัดระวัง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 ไม่ใช่มันจะไปให้ทุกข์ให้โทษแต่ในปัจจุบันนี้เท่านั้นนะมันยังให้โทษไปในชาติในภพต่อๆไปนู่นเหมือนอย่างนิทานเมียน้อยเมียหลวงคนนั้นเลยเสร็จเทคนหนึ่งมีเมียอยู่สองคนคนหนึ่งเป็นเมียหลวงคนหนึ่งเป็นเมียน้อยตอนนี้เมียหลวงนะั้นไม่มีลูก เมียน้อยนี่ทำท่าตั้งคันขึ้นมาวะนี้เมียหลวงเห็นว่าเมียน้อยนี่มันจะได้รับศัดบมรดกจากสามีตนไม่มีลูกแล้วกไ็ไม่ได้รับส่วนแบ่งจากสามีก็เลยอิจฉาเมียน้อยนั่นแหละพอเมียน้อยจะคลอดเนี่ยนี้ก็ทำท่าไปช่วยเหลือเอาผ้ามัดหูมัดตาไว้ พอคลอดลูกออกมาแล้วก็เอาลูกเพิ่นไปเสียแล้วก็เอาท่อนไม้เกลือกกับเลือดนั้นใส่เข้าไว้สามีมาก็พ้องสามีไอ้เมียน้อยของคุณเนี่ยคลอดลูกออกมานะเป็นท่อนไมอ้อย่างนี้ไอ้สามีก็ไม่ว่าอะไรก็คิดว่ามันอิจฉากันเฉย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 นั้นวันนี้ไอ้เมียน้ยตายแล้วไปเกิดเป็นแมววันนี้อยู่ในบ้านนั้นพ อ, อแม่ไก่นั้นไข่ออกมาลูกได้ไอ้แมวแม่แมวก็เอาไปกินซะพ อ, อแม่ไก่ไข่ออกมาลูกไหนก็เอาไปกินในที่สุดก็ไปคาบเอาแม่ไก่นั้นไปกินแม่ไก่จวนจะตายก็ผูกเวรแมวไว้ เนีเราเลยผูก พ, พันกันไปจนไปถึงไอ้เมียน้อยนั่นไปเป็นยักษ์คีนีเมียหลวงนั่นไปเป็นมนุษย์แบบนี้ยักษ์คีนีก็อา้าวบรรดานในยักษิคีนีนั่นมากินลูกของเมียหลวงนี่พอเมียหลวงคลอดลูกออกมาเนะนายคิ น, น, นีก็แปลงตัวเข้ามามาหลอกเอาลูกไปกินคนสุดท้ายใน อุม้มลูกได้ก็แล่นเข้าไปวัดเข้าไปกราบพระพุทธเจ้ายักษีนีก็เข้าไปไม่ได้เพราะเทวดารักษาชุ่มประตูไม่ให้เข้าพระศาสดาจึงรับสั่งว่าให้เข้ามานางยักษีนียังเข้าไปเฝ้าพระเจ้าพระเจ้าจึงแสดงว่าพวกเธอทั้งสองเนี่ยได้ผูกเวรกันมาแต่ครั้งนั้นครั้งนั้นนู่นถ้าพวกเธอไม่อโหสศีลกรรมให้แก่กันและกันแล้ว มันก็จะได้รับทุกทนทรมานไปอย่างนี้แหละไม่มีที่สิ้นสุดขอให้อาโหสิกรรมเลิกแล้วแก่กันไปเสียนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปทั้งยักษินีทั้งมนุษย์ก็ต่างก็อาโหสิกรรมให้แก่กันและกันไปเลยต่อจากนั้นพระศาสดาจึงได้แสดงคำให้ที่ประชุมนั้นฟังจบลงนางยักษินีก็ได้บรรลุโสดาบัน สนมนุษย์นั้นไม่ได้ได้แต่ความเลื่อมใสพระศาสดาก็จึงมอบหมายให้แอนหญิงคนนั้นเอานางยักษินีนั้นไปเลี้ยงไว้ไปปลูกเลือนให้อยู่หลังหนึ่งในบ้านของตัวเองเพราะนางยักษีนีบรรลุโสดาบันแล้วจะไปทําบาปอีกไม่ได้เลยจะไปเที่ยวจับสัตว์จับคนมากินก็ไม่ได้เลยอย่างนั้นก็เป็นภาระของ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 เอาปีนี้ฝนแรงนะให้ทำนาลุ่มอย่างนี้เพราะสมัยแต่ก่อนก็เข้าใจว่าอาศัยแต่ฝ้าแต่ฝนเท่านั้นไม่มีเครื่องดูดน้าไม่มีคลองส่งน้าเหมือนสมัยนี้นางแงคินีก็มีชื่อเสียงดงดงังก็มีคนนับถือมากคนก็เอาอาหารการกินมาให้กินไม่อดไม่ยากานะวันนี้นะนั่นแหละอนิสงส์ศีลอ น, นิสงฆ์ธรรมที่ท่านได้บรรลุแล้ว จะเป็นยักษ์เป็นโขก็าตามเมื่อประพฤติ ธ, ธรรมแล้วก็ยมได้รับความนิยมนับถือจากคนทั่วๆไปตลอดถึงเทวดามีสรุปใจความแล้วการผูกเวรกันนั่นะมันนํามาซึ่งทุกข์ไม่รู้จบลู้สิน้นแต่เวร น, นั้นสามารถระ ง, งับได้ในเมื่อต่างฝ่ายต่างเห็นโทษแห่งความโกรธความอาฆาตจองเวรกันแล้ว อโหสิกรรมให้แก่กันและกันไปเวลนั้นมันก็นเลยระงับไปก็มีจิตใจแช่มชื่นเบิกบานเมื่อพระศาสดาแสดงธรรมให้ฟังก็สามารถบรรลุธรรมของจริงที่พระองค์ทรงแสดงนั้นได้อย่างนางยักขีรีดังกล่าวมานั่นแหละนางยักขีรีนั้นได้เป็นเมียน้อยของเศรษฐีแตกชาตินั้นพอเมียน้อยเนี่ยเขาเขเป็นคนดีนี่ เมียหลวงเนี่ยใจบาปออไปอิจฉาเมีย น, นย้อยเพราะฉะนั้นมาฟังธรรมพระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถจะบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้ส่วนเมียน้อยนั้นสามารถบรรลุมรรคผลได้มัน เ, ออเป็นอย่างนี้นิสัยใจของคนเรานะ่ะมันแตกต่างกันนะบางคนใจดำอำมหิทธ์ออบางคนผดใจมีเมตตาอารีมันตรงกันข้าม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 เบียดเบียนไม่เลือกหน้าอย่างนี้นะเขามารู้ตัวเข้าไปแล้วโอ้ยเรานี่มันคนใจดำเขามันขาดเมตตากรุณาเอาและนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะพยายามเจริญเมตตาแห่ไมตรีจิตคิดให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วหน้ากันจะไม่คิดเบียดเบียนใครจะไม่โกรธใคร แม้ใครมาร่วงเกินตนต น, ตนก็จะเอาโหสิกรรมให้จกไม่ผูกโกรธไว้จกไม่แก้แค้นจกอภัยให้ไปเลยนี่ถ้าผูใ้ใดรู้ตัวว่าตนเป็นคนโทสะจริตอย่างนี้แล้วอธิษฐานใจละมันไปแล้วก็สมถทานมั่นอยู่ในเมตตากรุณาธรรมเข้าไปอย่างนี้นะในความโกรธนั้นมันก็เบาบางไปเลย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 ก็ว่ากันไปอย่างนี้นะนี่ไม่ใช่เมตตาในพุทธศาสนาอันเมตตาในพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าสอนให้วางขิตใจให้เสมอกันไปหมดทั้งที่เป็นมิตรทั้งที่เป็นศัตรูก็ให้ทำใจให้เสมอกันหมดเลยเราปรารถนาอยากจะให้ญาติมิตรของเรามีความสุขความเจริญโดยทั่วกันชั้นใด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 มีแต่จะทุกขโดยฝ่ายเดียวแล้วดังนั้นในฐานะเราเป็นชาวพุทธนี่เนะี่ไม่ควรที่ยอมตนลงเป็นทาาของกิเลสตัณหาอย่างนั้นให้เต็มร้อยเปอร์เซ็นตะ์เราจะต้องมีความอดความเพียรสู้กับกิเลสตัณหาปราบกิเลสตัณหาเราเนี้ยให้มันเบาบางออกไปจากกิจใจให้ได้เมื่อเราไม่พอใจกับมันแล้วเราภาคเพียรพยายามไปเนี่ย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 อแต่กิ่งแต่การออกไปปกคลุมพื้นดิเนเวลาหญ้าขึ้นไม่ได้วันนี้เจ้าของสวนก็ถึงได้งดดายญาการรักกิเลสทันหามันก็เป็นเช่นเขาทาสวนนั่นแหละให้เข้าใจทีแรกมันก็ต้องปราบกิเลสยำยับนั่นให้เบาบางออกไปจา ก, กจิตใจก่อนเหมือนอย่างเขาไปโค่นต้นไม้ใหญ่ๆลงไปก่อนนั่นแหละเป็นอย่างนั้นมาเนี่ยเมื่อเมื่อ